มีทั้งกระจายมีทั้งตัวนิ่งๆตัวหนึ่งพยายามทำให้มันสมดุลมั้งคะอย่าพยายามเลิกไปเลยจะดูคะ่ะมันละเอียดนะคะต่อยมันไปนะแต่ว่าให้เรารู้ทันว่าใจมันกระจายแต่ขนาดเดียวกันก็ไม่ไปกดมันไว้มันมันเลยเป็นส่วนประกอบที่แปลกนะทั้งกดทั้งกระจาย <c oughs> คือมันกดจนจะกลายเป็นปกติ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 ไม่มิดตัวเราในขันทั้งหลายค่อยๆดูไปอย่างนี้ใช้ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าหนักหน่อยนะฝึกสายโ ค, โคโฮเอนก้า <c ười> ดูเวทนามันเหนื่อยมัน <c ười> เจ็บเอาาอคือถ้ า, ถ, าถ้าทำกรรมฐานดูเวทนานะาต้องทนเจ็บทนปวดเอา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 มันพวกดูจิตยิ่งสบายใหญ่นะนั่งเมื่อยกว่าขยับไปขยับไปแล้วมันดีใจรู้ว่าดีใจเนี่ยหรือมันเมื่อยขึ้นมาอยากจะขยับรู้ว่าอยากขยับแล้วดูจิตใจเขาทํางานไปเรื่อยๆสบายอย่างหลวงพ่อเลยเป็นสุขาปฏิปทาแต่ดูจิตบางองค์ก็เป็นทุกขาปฏิปทานะท่านตรากตําหนักเลยเดินหามรุ่งหามค่ํานะหรือออกทุดงทรามานมากมาย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 มันบางทีเพลงแล้วรู้มันแน่นๆน่แน่นนอนละรู้รู้แล้วตัวเองไปเพลงแล้วไปเฝ้าไปจ้องไปจ้องมันไปเฝ้ามันเฝ้ามันมาเนี่ยเราก็รู้เหตุรู้ผลแล้วเนี่ยเห็นไหมเราไปทาขึ้นมาเองแต่ไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาเองเมื่อสองสัปดาห์ก่อนหน้านั้นน่ะตื่นนอนแล้วก็เห็นความคิดผุดขึ้นมาแล้วพอรู้มันก็ดับขณะที่เหมือนยังตาจงไม่เหมือนยังงงเงียอยู่ห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 ถึงจุดที่มันรู้เหตุขึ้นมารู้วอ๋อนี่มีกรรมมาจากอันนี้นะพอรู้แจ้งอย่างนี้ปั๊บนะีต่อไปโรคนั้นหายเลยอันนี้โรคที่เกิดจากกรรมนะถ้าโรคเกิดจากอาหารกินยาพิษเข้าไปแนละไปนั่งพิจรารณาตายอย่าง่เลยนะหรือเกิดจากอากาศสิ่งแวดล้อมมนุษย์อยู่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนัพิจารณาไงก็ตาย ถ้าเรารู้รู้เหตุมันเมื่อไหร่นะมันจะคล้ายๆรู้แจ้งมันลนะจะเข้าใจมันแจมแจ้งลักษณะของสภาวะตัวนั้นเราจะเข้าใจแจ้งแต่ว่าไม่ต้องค้นคว้าเยอะอย่าไปตั้งใจสังเกต<ห>อย่าตั้งใจสังเกตถ้าเมื่อไหร่เขาแจ้งแล้วเขาถ่ายทอดขึ้นมานะในนียจะทราบซึง้งนะใจเราก็ไม่ฟุ้งด้วยจิตใจมีความสุขด้วยตอนนี้เลยฟุ้งไปหน่อยฟุ้งไปไห น, ไหนดูออกยัง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 คนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้นะแต่เราสร้างความทุกข์ขึ้นมาใส่ตัวเอง <laughs> <c oughs> นี่คือกระบวนการที่เห็นนะนแหละจะสร้างขึ้นมาจะไปเราจะเห็นตอนนี้เราเห็นเรื่องวิถีของจิตต่อไปเราก็จะเห็นปฏิจจสมุ ป, ปบาทเห็นปฏิจจสมปปบทัทคนที่เห็นปฏิจสปปฏจสมบัทต้องเป็นพระอริยบุคคลค่อยเรียนไปนะอ่ะเมื่อหกสิบเก้า 69. คือตอนข่าวที่แล้วที่ท่านสอนว่าลงกระไดแล้วมันมีสติแบบทางโลกอะค่ะทีนี้หนูก็จะพยายามจะปล่อยสติทางโลกแต่บางจังหวะเนี่ยมันวืดนะคะเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยเราเราเร า, เราไม่ระวังเราก็จะกลับมาระวังอีกทีนึงจากนั้นมันก็จะเหมือนจะเพ่งลงไปเรื่อยๆอะคะ่ะแล้วก็ก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอะคะ่ะเนอเพ่งอยู่อย่างเงี้ยยังค้างกับการเพ่งอยู่ <c oughs> ให้รู้ทันไว้นะ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 ลึกไปนะยาวแต่พิ่งเสียเวลาอักเชิญโยมไปทานข้าวไป